บทที96อุตาคํมุตาเทคนธมที่คำสนานสามกัชีเรบไม่สามีกาวชีเรบีสามีผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง เกบีมาชินเวโร่ัมาวรเริกเส์มาชินเวรเกบีโร ม, มารเรส์ผมจะง่วงนอนทันทีที่ผมเริ่มเรียนหนังสือลีโรดซัตอุนดาวิสซาโลลีโรดซัตอุนดาวิสซาโลผมจะเลิกทำงานทันทีที่ผมอายุหกสิบ อากาวมูชาบรดสิสซามุตซเซลสม์มวเซว์ว า, าวมูชาบโรเกอร์์ีามตเซลส์มีวัชเซวคุณจะโทรมาเมื่อไหร่รดิสดารกอต์โดิโดสดารกอต์ทันทีที่ผมมีเวลา โรโกร์สเขาจะโทรมาทันทีที่เขามีเวลาอิสตาริกอัสโรโก s t สกี o จะโทรเมื่อไหร a บ้างอิส คุณจะทำงานอีกนานเท่าไหร่คิดรมเดนขัอิมูชาเวปดรามเดนขัอิมูชาเปผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้อิมเมดนสวิมูชาเวปรามเดนซ็ตเชฟเลอิเนสวิมูชาเวป์รมเดนซต์เชฟเลผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ วิมาวบสนาทลวเขานอนบนเตียงแทนที่จะทำงาน is loginshitzevs i ม i s m a g i v รั t r อม imushaus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 รอส์กฟซสอมิสมาิระรมซชิวเท่าที่ผมทราบบา้านเขาอยู่ที่นี่นัวิอสอกรเดนัวิอสอากร เท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย เ, าาเาาท่าที่ผมทราบเขาตกงาน อิสอุมูเชวารผมนอนหลับเพลินมิฉนั้นผมก็จะตรงเวลารอาตบุตอาร์ตาวนเนรมาตามจีเนบุตอาร์ตาวกออาาาวียนเนปตผมพลาลดรถเมลไม่งั้นผมก็จะตรงเวลารถบุสรอมารตามกวียนเนบา punctualuri viknebodi. Autobusse Romar tamigviana p u n ผมหาทางไม่พบไม่งั้นผมก็จะตรงเวลาก z ā Romar tamneoda ar ว a ก i g v i a n e b d i Kzā Romar a m n